ผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองอย่างท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถูกโจทย์ พึงตั้งอยู่ในธรรมเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองอย่างคือหนึ่งความจริงสองความไม่ขุ่นเคือง ทุติยภานวานจบปาติโมกขัดถปนะขันธกะที่เก้าจบในขันธกะนี้มีสามสิบเรื่องสองภานวาล